ก็ถามว่าแล้วแล้วแก้อย่างไงล่ะก็มาแยกว่าขันห้าแยกเป็นอายตนะแล้วหาความเป็นคนเป็นสัตว์ในสิ่งเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้แล้วพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วจะบัญญัติว่าสัตว์ได้ไหมไม่ได้อีกเหมือนกันเนีนะ่ะคือสัตว์นี่เป็นสิ่งที่เป็นโวหารเกิดขึ้นอย่างสมมุติว่าเอานะ ความประชุมแห่งขันห้าเรียกว่านายอะไรดีนายกไก่นายนายกไก่ไอ้นาย ก, ไ ก, ายกไก่นี่มีอยู่จริงหรือไม่เขบอกว่าตัวนายกไก่อยู่ในรูปใช่ไหมยอยู่ในเวทนาอยู่ในสัญญาอยู่ในสังขารหรืออยู่ในวิญญาณหรือว่าพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงเรียกว่านายกไก่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนายกไก่นี่เป็นโวหารที่ ที่กล่าวเอาไว้เรียกขานกันแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือสังขารธรรมสังขารธรรมนี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหมนะถ้าสิ้นตัดใจนี้สังขารธรรมเหล่านี้จะเกิดไหมก็ไม่เกิดแต่ว่าพญมกายนี้อยู่บนพื้นฐานของลัทธิว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะอยู่เป็นลัทธิว่าเป็นสัตว์ตรงนี้นะผู้ที่ เจริญที่ถีวิสุธทธิเนี่ยจะแยกเห็นชัดตั้งกับเริ่มแรกเลยเพราะปัจจุบันนี้ก็หาความเป็นสัตว์ที่แท้โดยโดยประมัดไม่ได้แล้วไอ้คำว่าประมัดนี่คืออะไรย้อนอีกครั้งหนึ่งหต้องดูว่าประมัดในพระไตรปิฎกทั่วๆไปหมายถึงอ่ะนะยกโดยกระถาวัตถุเนะี่ยคือขันห้าอายตนะ 12ทธาตุสิอินทรีย์22สรุปเรียกว่าปรมาภิษฐเนี่ยนะเนี่ยเรียกว่าปรมัตาธรรม57สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยสภาวะทีนี้ขันทั้งหลายเช่น ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหม ถ้าสิ้นปัจจัยและรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดไหมก็ไม่เกิดเนี่ยนะแต่ว่าสำคัญว่าเขาไปคิดว่าอันเนี้ยคือสัตว์ก่อนพอคิดว่าเป็นสัตว์ปับ๊บเอ๊สรุปแล้วมันตายอีกแล้วมันเกิดอีกหรือมันสูญเนี่ยนะทิฏฐิอันนั้นก็จะเกิดขึ้น ถอย่างนั้นเมื่อกี้ท่าอาจารย์ถามบอกพระอาหารหันต์ตายแล้วเกิดไหมถ้าจะตอบให้ถูกก็บอกว่าพระอาหารหันต์ไม่มีหลอกแต่รูปเบทนาสัญญาสังขาร น, นั้นแหละซึ่งมันหมดเหตุห ม, หมดปัจจัยนั่นแหละมันไม่เกิดอีกอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ได้ปัจจัยนะคือสิ้นปัจจัยดับไปเหมือนไฟสิ้นเชื้อเจะว่ามันเกิดก็ไม่ใช่เจะว่าไม่เจะว่ามันมั น, ม, นมันคงที่ก็ไม่ใช่ เอาอย่างนี้ก่อนนะมันเหมือนกับเทียนนะ่ะแบบโบราณเลยนะเทียนที่ที่เขาจุดที่เป็นเหมือนเทียนพรรษาเนย น, นะต้นโตจุดไอเทียนที่มันจะลุกเป็นเปลวได้มันต้องอาศัยองค์ประกอบคือไส้มีไข่แล้วก็มีเชื้อใช่ไหมที่มาติดทีนี้เทียนอันนี้ถ้าจะก่อนจะดับก็ก็เตรียมต่ออันใหม่ปกติเนี่ยนะก็มองแล้วถามว่าเทียนนี่คือไข่คือสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่ แต่เทียนที่มันสืบเนื่องต่ อ, ต อ, ตอจุดสืบเนื่องกันต่อไปได้เพราะมันอาศัยปัจจัยเหล่านี้คือ 1. อาศัยตัวไข่อาศัยไส้และก็อาศัยไฟเนี่ยนะอาศัยอากาศรอบๆแวดล้อมแล้วจุดเนี่ยมันจึงติดพอพอจุดก่อนจะมอดต่ออันใหม่ขึ้นมันก็จะสว่างอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทีนี้ผู้ที่ทํากิจเสร็จเนี่ยก็คือตัดเชื้อตัดปัจจัยหมดแล้วเพื่อที่จะไม่ต่ออันใหม่เนี่ยนะ ที่ในรัตนาสูตรที่กล่าวว่าไฟที่สิ้นเชื้อชันใดเนี่ยนะถ้าอารหันต์ก็ชันนั้นทีนี้ไอ้อันนี้นี่พูดแบบคนเข้าใจแล้วนะแต่ถ้าไปพูดแบบคนรับที่อัตตาคือไปเห็นว่าเป็นศาตว์ก่อนไปเห็นว่าเป็นอัตตาก่อนแล้วก็ไปคิดเรื่องนี้จะเป็นที่มาของทิฏฐิทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะเกิดขึ้นในโลก แต่ว่าเรื่องนี้ก็นับว่าละเอียดนะคนที่ที่จะเข้าใจหรือผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องนี้ดีต้องเอาเรื่องขันท่ามาคิดให้มากๆจะเข้าใจเนี่ยนะว่าถ้าไม่เห็นเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุขันธาตุอายตนะเหล่านี้เกิดจากปัจจัยนะท้สิ้นปัจจัยขันธาตุอายตนะเหล่านี้ก็ดับอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าไปถือว่าขันท่าเหล่านั้นเป็นสัตว์ด้วยอำนาจของทิฏฐิสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกถ้านี้เป็นคิดยังไงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ คิดถึงนี้ผิดไหมครับก็รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดของพระรหันองค์นั้นดับไปแล้วย่อมไม่เกิดอีกถ้าเราให้พระจนได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็โดยมากก็จะลงทิฏฐิอีกอยู่ดีถามว่าทำไมจึงลงทิฏฐิเพราะหนึ่งนะความเป็นพระราหันที่ที่ถูกต้องอะ่ะคืออะไรก็คือ ก็คือตัวตัหาหมดวานะสิ้นหมด อ, อ, อสัญญาศาตร์ก็ไม่มีวานะนิวานะ อ, อ, อสัญญาัตร์ก็ไม่มีตันหาและก็รูปด้วยเ อ, เอาเอาสรุปนะสังสารวัตรเนี่ยที่ที่สืบเนื่องก็คือขันห้าใช่ไหยที่สืบเนื่อง <c oughs> ความจริงก็มีแต่ขันห้าที่สืบเนื่องนะถ้าแยกมาละเอียดแล้ว เมื่อเป็นขันห้าที่สืบเนื่องอะ่ะย้อนใหม่นะเอาเอาแบบผู้ที่ผู้ที่ศึกษามาดีว่าสรปว่ารูปประขันที่สืบเนื่องอ่ะนะทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สืบเนื่องแบบเนี้ยหนึ่งชาติอายุกี่ปีดี อาสักเก้าสิบก็แล้วกันว่าใครโหมีบุญมากขนาเถอะคนวณว่าน้ำนี้ก็ต้องค่อยๆหยดทีละหยดกินเอาก็คือทั้งหมดนะตลอดระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ที่เรียกว่าครั้งนี้พวกนี้ตั้งแต่ทีแรกที่เกิดเรียกว่าชาติใช่ไหมหรือเรียกว่าปฏิสนธิหรือว่าเกิดชาติ เมื่อขันห้าอันนี้แตกทำลายเรียกว่าตายปกติขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะผู้ทิ้งรูปแล้วจะถือเอารูปอีกทิ้งเวทนาอันนี้ก็ถือเอาเวทนาใหม่ทิ้งสัญญาแล้วถือเอาสัญญาใหม่ทิ้งสังขารแล้วถือเอาสังขารใหม่ถือทิ้งวิญญาณแล้วก็ถือเอาวิญญาณใหม่ก่อนหน้านี้ก็มีรูปและชาติที่แล้วก็คือรูป ชาติที่แล้วก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณน่ะก็คือขันธ์ห้าอดีตชาติอดีตชาติที่ผ่านมาก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าทุกวันนี้ก็ขันธ์ห้าชาติต่อไปก็คือขันธ์ห้าที่นี้ถามว่าขันธ์ห้าอันนี้ในสายตาของผู้ที่อ บ, บรมปัญญาทั้งหลาย คือปัญญาคืออะไรก็คือสังขารขันอีกชนิดหนึ่งนั่นไงถ้าจะกล่าวโดยธรรมชาตินี่นะสังขารขันเช่นสังขารขันอันเนี้ยบำเพ็ญทานศีลเนคขมะที่เรียกว่าบารมีเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีสิบก็คือบารมีทั้งหมดนั้นก็คือสังขารขัน แต่ยกสังขารขันตัวหลักๆคือปัญญาขันปัญญาที่อยู่ในสังขารขันอั น, นั้นปัญญาในขันเหล่านี้มันเกิดมาบอกว่าขันทั้งหมดเหล่านี้เลวมากเพราะมันระคนไปด้วยทุกหนึ่งมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีตายเป็นที่สุดทีนี้แล้ว ไ, ไอ้ตัวโดยเฉพาะสังขารขันที่เป็นเจตนาเนี่ยนะเป็นเจตนาเป็นตัณหาเป็นอวิชชาเนี่ย แล้วก็เฉพาะรูปประขันในในในพบนี้ก็ต้องอาศัยอาหารอีกตัวเจตนาตัวตันหาตัวอวิชาที่มีอยู่ในขันเนียพวกเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวสร้างสร้างขันอันใหม่ขึ้นเนี่ยนะพอมามีสังขารขันนี้เกิดขึ้นนะก็สร้างขันอันใหม่อีกก็คือมามีอวิชามีตันหามีกรรมเนี่ยนะเพื่อสร้างขันอันต่อไป ก็จะลักษณะแบบนี้ทีนี้ผู้ที่หรือผู้ที่มีสังขารขันพิเศษที่โวหารบัญญัติเรียกว่ามีบาร ม, หรมีหรือมีอุปนิสัยหรือมีอัธยาศัยเพื่อที่จะพ้นจากขันเรามามาบัญญัติโวหารขึ้นเก็ อบรมมานั้นมาแล้วก็มาเห็นโทษของสังขารขันอันนี้ที่จะนําปฏิสนธิลักษณะนี้มาขันนั่นแหละมาเห็นโทษของสังขารขันคือแต่เขาแบ่งเป็นเป็นขันสองกลุ่มสังขารขันนี้ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอันนี้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหนึ่งที่เป็นธรรมขันธรรมขันอันนั้นคือศีละขันสมาธิขัน แล้วก็ปัญญาขันเนี่ยนะขันสามประการเนี่ยจะมาเป็นตัวตัดอกุศลสังขารเนี่ยนะสังขารที่เป็นกุศลคือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันนั่นแหละเป็นตัวมาตัดเจตนาตัดอวิชาตัดตัณหาฉนั้นเมื่อตัดแบบนี้เข้าตัวเนี่ยเป็นตัวเชื่อเพลิงที่จะสืบต่อไปเนี่ยนะที่จะทําให้ขันห้าเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ ดับเชื้อซะเนี่ยนะก็ตัดต้นเหตุขันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกอันใหม่แต่พระยมกะไม่ได้คิดแบบนี้มองว่า น, นี่คือพระรหารทหารตายแล้วศูนย์คือคิดแบบคนไม่ได้แยกไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยแต่ก็คือคิดว่าเอ้คนนี้มันตายแล้วมันเกิดอีกหรือมันศูนย์กันแน่เนี่ยนะก็ก็คิดแบบมองอะไรเป็นแท่งทึบไม่ได้แยกแยะอะไรเลยอันนะ มันตรงนี้นับว่าเป็นสิ่งที่อธิบายค่อนข้างยากนะและก็เข้าใจค่อนข้างยากเอาเอาเอเป็นโวหารผ้รหันนะเป็นโวหารจริงๆก็คือขันห้าแม้แต่ที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้านะโดยศัพท์ก็คือพุทธพุทธตัวนี้คือเน้นศีละขันสมาธิขันปัญญาขัน ขันอันนี้ทํากิจปริญญาอ่านะขันอันนี้ทํากิจประหานะขันอันนี้ทํากิจอะไรอ่านะตัวตัวศีลขันสมาธิขันปัญญาขันทากิจทําให้แจ้งทํากิจเจริญเนี่ยนะขันแบบนี้เรามาบัญญัติโวหารว่าผู้ปฏิบัติโดยโวหารเสร็จ แ, แล้วผู้ที่ทํากิจนี้บริบูรณ์ โดยโวหารเราเรียกว่าพุท ธ, ธะหรือบุคคลเข้าไปเนี่ยใช้ใช้เพื่อ น, นี้เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารพูดคุยกันเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือขันที่ทำกิจในขันเท่านั้นความเป็นสัตว์ไม่มีตอนนี้หายังไงก็หาไม่เจอเพียงแต่ขันที่เกิดขึ้นก็แยกแบบนี้แต่ถ้าไม่แยกแบบนี้ไปมองว่า น, นี่คนนี้คนนี้ตายเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกคิดยังไงมันก็คิดผิดเนะผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว ไม่ต้องตอบ <c oughs> ถ้าเขาถามถามแบบนั้นว่าผ้าหันตายแล้วเกิดอีก<ช>ก็ควร <ๆ S 1> ควรควรไปเรื่องเรียนเรื่องบุเรื่องบาปเธอก็ตอบว่าผ้าหันคือผ <ๆ S 1> ู้ <c oughs> ที่บำเพ็ญกิจเหล่านี้จบแล้วก็ก็อาจจะได้แต่ว่าควรจะพูดให้เต็มในนะ้น เอาพูดให้เต็มนะว่าผู้คือจริงๆแล้วนะทั้งชีวิตอะเอาเอานะอย่างยกตัวอย่างพระพู้เป็เจ้าเลยพระพูทธเจ้าในสังสารวัฏก็คือขันท่าที่สืบเนื่องกันมาตลอดระยะเวลาเท่าไหร่ขันท่าที่สืบเนื่องกันมาสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับก็คือขันท่านะที่เป็นมาตลอดเลยขันเป็นขันพิเศษที่ใช้คําว่าพิเศษเพราะเป็นขันที่ปรารถนาจะพ้นจากขัน ตัวปราถนาอันนั้นก็คือสังขารขันคือปัญญาปรารถนาเพื่อจะพ้นจากขันขันต้องการพ้นขันเหอนกันเถอะแต่ขันอันนี้บอกว่าฉันจะพ้นจากขันคนเดียวไม่ได้ฉันต้องฉันต้องพาขันอื่นพ้นจากขันอันนี้ด้วยเนี่ยนะก็ก็เลยบําเพ็ญบารมีขึ้นมาพอบําเพ็ญแล้วก็เพื่ออะไรบําเพ็ญในการที่ทํายังไงจะทํากิจในขันเหล่านี้ให้มันบริบูรณ์อ่านะทำกิจอันนี้จนเรียกว่าอ่านะกิจอันนี้เรียกว่าอรหัตตมรัก อย่างไรอรหัตตมัตก็คือศีลสมาธิปัญญาขันนั่นแหละที่มันบริบูรณ์เรียกว่าอารหัตตมัตคนที่ตรัสรู้อารหัตตมัตอันนี้เราเรียกว่าพระอรหันโดยโวหารนะโดยโวหารเรียกว่าพระอรหันทีนี้พระอรหันอันเนี้ยอุ ป, ปนิสัยมาแสดงแสดงร่างขันห้าอีกนั่นแหละเพื่อให้ขันอื่นดับขันด้วยอีกเหมือนกันอย่างไเพราะเออพวกนี้จึงเป็นคําสอนที่นับว่าลึกซึ้ง ท่านผ่ารหันเวลาที่สมมุนทะยังพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานพผ่ารหันอื่นๆท่านคิดยังไงท่านบอกว่าท่านอย่ า, าสังขารทั้งหลายท่านยังไม่ได้คิดว่าตัวนั้นเป็นเป็นสัตว์ท่านบอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปชิตตวาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าตัดฉันทราค่าในขันห้าเหล่านี้ได้เตสังวุปัสโมสุขโขเป็นความสุขอย่างยิ่ง ท่านยังไม่ได้เข้าไปคิดว่าโอ้โหนั่นเป็นสัตว์สัตว์ตายแล้วหนหอศูนย์แล้วหนอะท่านไม่ได้คิดแบบนี้คือคิดแบบคนเขาแยกคิดแบบแบบผู้มีปัญญานะแบบผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธรรมดาโวหารคนทั่วๆไปไม่ต้องเอากระถาเรื่องนี้ไปคุยกับเขาไปคุยเรื่องเนี่ยทำบุญไว้หรือ ย, ยังชาติหน้าคุณจะไปกินอะไรเนี่ยถ้าตายพรุ่งนี้เนี่ยคุยเรื่องธรรมดาธรรมดาเหอะ จะไปคุยเรื่องชั้นสูงเพราะทักพูดแล้วถ้าเราแยกไม่ได้นะยังไงต้องเข้าทิฏฐิอันใดอันหนึง่งคื อ, อด้วยอํานาจส ก, กายทิฏฐิที่มันมันฝังลึกมานานนักหนา น, นี่นะท่านแยกออกมาแล้วนี่นะก็จะอดที่จะไปหยิบไอ้พวกแต่ละแต่ละกองเนี่ยนเะอามาเป็นของเราไม่ได้หรือมาให้คนอื่นไม่ได้นะเช่นให้คนอื่นที่มาว่าไปให้เป็นพระทหารไปเสีย หรือให้มาเป็นเราก็เราเช่ไเพราะพูดถึงเวทนาเนี่ยนะก็ไม่ได้คิดว่าก็คิดว่าเวทนาเป็นของเราอีกใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าเวทนามันเกิดจากปัจจัจจยอะไรก็ไม่รู้เราก็ไปเอาไอ้อปัจจัยอันนั้นมาเป็นของเราอีกครับสําคัญไอ้สังขารธรรมอันนั้นเป็นเป็นเราเข้าเป็นเราเข้ามาอีกหรือเป็นอัตตา ก, ก็เลยนั่นอะเวทไอ้ตัวเราอันนั้นมันจะเที่ยงหรือมันจะศูนย เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพื้นปัญหาระดับชั้นสูงแบบนี้เขาจึงไม่คิดแต่ดูภาษาดิบุตรท่านแก้ละที่อันนี้แก้อย่างไางเนี่ยนะก็สรุปว่าไปหาภาษาริบุตรเนี่ยนะภาษาริบุตรก็ไปแก้ก็คือไปสอบถามซักไซ้์ไล่เลียงเสร็จอันไแล้วก็ตั้งคําถามแบบที่เราเคยฟังมาก็คือปริวัติสมไปถามมาท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง คือคุณไปคิดนะว่าชีวิตทั้งหมดมันคือขันห้าใช่ไหมบอกใช่แล้วขันห้ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราควรไหมควรไม่ที่จะเข้าไปสําคัญแบบนั้นบอกไม่สมควร เพราะฉะนั้นแหละไอ้ขันทั้งห้าที่กล่าวว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานะขันอันนี้มันจะอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณิดทั้งหมดนั้นมันก็คือขันห้าแล้วควรทั้งหมดนั้นไม่ควรเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นอริยาสาวกที่ได้ฟังอย่างนี้เนี่นะเมื่อได้ฟังอ่ะปรุงแต่งสังขารขันขึ้นมาก็จะเบื่อหน่ายใน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยสิ้นแล้วนะนะคือรู้ว่าชาติสิ้นเพราะกรรมสิน้นรู้กรรมสิ้นเพราะกิเลสในขันท่าสิน้นเพราะฉะนั้นชาติพรหมจรรย์คืออารยมรรคเพื่อทําให้กิจอันเนี้ยทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อวความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะนะเสร็จ แ, แล้วก็อันนี้คือหลักหลักการศาสนาเราเป็นอย่างนั้นทิฏฐิอันนี้นะพุทธศาสนามีลทัทธิอย่างนี้ คือเรามาตึกดูแล้วก็เห็นว่าคํำนี้เราเจอบ่อยเลยนะพิสูจทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงคํานี้เนี่ยเป็นคําที่เราฟ <Hey. S 1> ังดูแล้วดูมันไม่ค่อยมีแต่ที่จริงแล้วโอ้เป็นเรื่องที่จะต้องไปทําปริญญามากๆจึงจะเห็นว่าเออมันไม่ที่เราจะควรไหมที่จะเป็นของเราสําคัญว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราทีนี้อันนะ่ะ พ, พอพอผู้ที่ไข้ครวนตามนั้นอันนะีเอาถ้าเราทิ้งต่างว่า พญมกะคิดตามภาษาราบุตรหมดเลยอ่นะเป็นละที่อันเดียวกันกับภาษาราบุตรแั้นทีนี้ภาษาราบุตรก็ถามว่าท่านยมกะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนท่านเห็นรูปเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรืออันนี้รูปใช่ไหมเป็นสัตว์คือคือทั้งหมดนี้คือขันท่าใช่ไหมในโลกนี้ขันท่าใช่ไหมเป็นสัตว์ก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นท่านเห็นเวทนาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไม่ใช่ ท่านเห็นสัญญาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสังขารนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าวิญญาณนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรืออ้าวแล้วสัตว์อยู่ตรงไหนคือความจริงขันห้ามีใช่ไหมแล้วสัตว์อยู่ตรงไหนดูก่อนท่านยมกษัท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉะไหนท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในรูปหรือหรือมันไปอยู่ข้างในนั้นอีกทีไม่ใช่ เห็นสัตว์บุคคลต่างจากต่างหากจากรูปอีกหรือไม่ใช่เห็นสัตว์บุคคลมีในเวทนาหรือไม่ใช่เห็นสัตว์บุคคลต่างหากจากเวทนาหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในสัญญาหรือไม่ใช่เห็นสัตว์บุคคลต่างหากจากสัญญาหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในสังขารหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลต่างหากจากสังขารหรือไม่ใช่ ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในวิญญาณหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลต่างหากจากวิญญาณหรือก็ไม่ใช่เดูก่อนท่านยมะกะท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นฉไนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือหรือมันทั้งห้าเนี่ยนเป็นเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่ ดูก่อนท่านยมกะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนสัตว์บุคคล น, นี้นั้นอ่ะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่มีวิญญาณหรือตัวสัตว์ไม่มีขันห้าเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกนั่นแหละดูก่อนท่านยมกะก็โดยที่แท้จริงอ่าโดยที่จริงโดยที่แท้ท่านจะค้นหาสัตว์บุคคลในขันห้านี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยค้นยังไงก็หาสัตว์ไม่เจอค้นยังไงก็หาบุคคลไม่เจอเนี่ยนะ ก็เหมือนกับตั้งคําถามเลมีคนก็ตั้งคําถามมาอันนัเป็นโบหานเล่นชาวอีสานก็จะไปกรุงเทพกันบอกไปถึงกรุงเทพบอกตรงกรุงเทพมันอยู่ตรงไหนเขาแน่เขาถามกรุงเทพมันอยู่ตรงไหนเอาไปตรงนี้เขาไม่เห็นเรียกกรุงเทพเขาเรียกหัวลําโพงเขาว่างั้นเอาไปตรงสถานีรถอันนี้เขาเรียกหมอชิดเอ๊ะกรุงเทพจริงๆมันอยู่ตรงไหนอันนี่เขงั้นทีนี้เอาคําว่ารถเหมือนกันนะนะฝากระโปรงหรือเป็นรถอย่างเงี้ยนะตัวถังยังไม่เป็นรถ พวงมาลัยใช่ไหมเป็นรถเอ๊ะรถมีจริงๆหรื อ, อย่างไงเอารถสรุปแล้วรถมีหรือไม่มีมีมีเหรอพวกกันมีโดยโวหารอ่ามีโดยโวหารแต่แต่อ่า แ, แ, แต่มีผู้ที่มีรัที่ไปสําคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเข้าเอาเอ่านะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําปริญญาเนี่ยนะคําว่าขันห้าก็เหมือนกันพอแยกแยะโดยละเอียดแล้วไม่มีแต่มีแต่โดย โวหารเนี่ยนะมีแต่โดยโวหารควรหรือที่ท่านจะยืนยันว่าอันนะคือคือสรุปแล้วว่าตอนนี้หาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เลยควรหรือที่ท่านจะยืนยันว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้วว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกสรุปนะท่านท่านควรไหมที่จะไปมีลัทธิว่าขันห้าเป็นสัตว์แสรจแล้วว่าสัตว์นี้ตายแล้วศูนย์ท่านควรไหมที่จะไปคิดแบบนั้นขึ้น ข้าแต่ท่านภาษาริบุตรเมื่อก่อนผมไม่รู้อย่างนี้ผมจึงได้เกิดทิฐิอันชั่วชาอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผมละทิฐิอันชั่วชานั้นได้แล้วและผมก็ได้บรรลุธรรมแล้วเพราะฟังธรรมเทศนานี้ของท่านภษาริบุตรนะจากที่กล่าวไปเมื่อกี้ท่านเป็นพระโสดาบาันเรียบร้อยไปแล้วละทิฐิในขันห้าหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยนะที่จะไปสาคัญว่าขันห้าเป็นอัตราก็ไม่ใช่ อื่นจากขันห้าว่าเป็นอัตาก็ไม่ใช่อัตาอยู่ในขันห้าก็ไม่ใช่อัตานอกขันห้าก็ไม่ใช่เอาแล้วท่านเห็นเป็นยังไงบอกว่าท่านเห็นทุกอย่างเป็นขันห้าแล้วทุกอย่างที่เป็นขันหน้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้ไปสําคัญผิดคลาดเคลื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งเลยสํานวนแบบวชิราภิสุรีท่านก็บอกว่าความจริงอะนะทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นความจริงคือขันห้าเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้น ขันห้าเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปั จ, จัยใช่หัหยขันห้าที่ตั้งอยู่แต่ก็ตั้งอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนาตตาแล้วก็ดับไปถ้าสิ้นเชื้อขันห้าก็จะดับไปนี่นะเพราะนั้นก็หาความเป็นสัตว์เป็นต้นหาไม่พบนี่นะเพราะนั้นัทิฐิอันนี้เนี่ยนะคิดว่าอนาคตเนี่ยเสื่อมแนความเข้าใจอันนี้ถามว่ามันยากเกินกว่าที่คนธรรมดาจะมาคิด <c oughs> ผมยังเชื่อว่า <c oughs> อํานาจที่เราเราเข้าไปทําปริญญาในในในแต่ละขันบ่อยๆเนี่ยมันช่วยทําให้เข้าใจผมผมมองเห็นลางๆแล้วว่า <c oughs> เราเนี่ยไปยืดยึดเวทนาว่าเป็นเราจริงๆเลยจริงๆมันไม่ใช่จริงๆเพราะว่าเวทนาเนี่ยมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยทัศน์ภาษาเพราะเราเราเอาภาษะมาแยกดูเราจะเห็นเลยว่า เ, เวทนามันไม่ใช่ของเราจริงๆ มันอาศัยทาวารอาศัยอารมณ์แล้วก็เกิดบิญญาณเนี่ยหเรายองมาแยกเวทนาดูนะยกเอาขันเดียวคือเวทนาขันมาใคร่ครวญดูนนะท่านบอกว่าตามสูตรเลยนะรู้ความเกิดขึ้นรู้ความเกิดของเวทนารู้ความดับเขรู้ความตั้งอยู่ ของเวทนาแล้วก็รู้ความดับไปแห่งเวทน า, านะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสามคำนี้นะเป็นยังไงคุณนภาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เนี่ยปาทะทีติพังค้าวงกลมนี่เลยนะใช่ไหมเอานะคำถามชวนตกลุมด้วยเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นยังไงยังไงสอนอะไรใช่เป็นยังไง <laughs> เอาไงเดี๋วเดี๋ยวพอละ <laughs> เอาตั้งเกดตัวมั่งเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นยังไง <laughs> เ, เดี๋ยวเด๋ยวมจะหมดเล้าไปอีกเอเนะ <laughs> วทนาเนี่ยนะรู้ความเกิดขึ้นของเวทนาเนี่ยถ้าจะาขู่สัมผัสชาเวทนาจะเกิดเนี่ยทิ้งตาทิ้งสี ทิ้งแสงสว่างทิ้งมนัสการทิ้งจักรคูวิญญาณทิ้งผัสสะได้ไหมเวทนา น, นี้จึงจะเกิ ด, ม, ดมันเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเวรู้ความเกิดของเวทนาเลยนะหนึ่งรู้ตาสีจักรคูวิญญาณแสงสว่างมนสิการเนี่ยแล้วยังไงเรียกว่าผัสสะผัสสะอันนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาถ้าเวทนาจะเกิดเพราะอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้นะสรุปว่าเวทนานะว่าแบบรวมๆหน่อยก็คืออารมณ์ อย่างหนึ่งทวารหรือวัตถุเนี่ยอย่างหนึ่งเอาวัตถนะุวัตถุอารมณ์ แ, และอะไรตัวผัสสะใช่ไหมผัสสะคือสังขารขันนั่นแหละอันนะวัตถุอารมณ์ผัสสะเวทนาจึงเกิดนี่คือความเกิดขึ้นของเวทนาทีนี้ว่าตั้งมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ยังไงถ้าเวทนามันตั้งอยู่อนนะ เดี๋ยวนักอภิธรรมทั้งหลายก็จะฉลาดมากจะรู้ว่ามันอุปาทะคำว่างั้นถีติเนี่ยนะแล้วก็พังคะอันนี้โหนี่มีความรู้สูงมากสูงจนแทบจะใช้ใช้งานไม่ได้นเนี่ยนะรู้รู้รแบบสำนวนตรงๆรงนเฉพาะในเงื่อนไขที่กำลังพูดถึงเอามาใช้งานจริงๆไม่ได้ เขาบอกว่าถามว่าผู้ที่รู้ความเกิดของเวทนานะรู้อย่างที่กล่าวไปว่าวัตถุอารมณ์ภาษะเวทนาจึงเกิดนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งเวทนานี้ถ้าเป็นชาติวิบากก็ต้องมาจากกรรมด้วยเพราะ อ, อวิชชากรรมนี่ที่จะมีผลเพราะอะไรเพราะมีอวิชชาอย่างหนึ่งเพราะมีตัณหาอย่างหนึ่ง เพราะวิชาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดอันนี้เรียกว่าความเกิดของเวทนานี้ทีนี้ถ้ารู้ความตั้งอยู่ตั้งอยู่ยังไงตั้งอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงตั้งอยู่โดยความเป็นทุกตั้งอยู่โดยความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงคือขยับเถนะ เป็นของที่ตัวมันเองสิ้นไปอยู่แล้วเป็นทุกขเพราะพยัตเถนะเวทนาเป็นของที่น่ากลัวแล้วก็อสสารกัตเถนะอสสาระไม่มีสาระอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะไม่มีสาระคือความเที่ยงไม่มีสาระคือความสุขอยู่ในเวทนาโดยแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ความตั้งอยู่คือรู้ความตั้งอยู่โดยไม่เที่ยงเป็นทุกขและเป็น อนาตาอ่นะเวทนาที่ตั้งอยู่นะสมมุติว่ามันตั้งอยู่ชาตินี้นะเอาเวทนาเมื่อกี้เนี่ยตั้งอยู่เก้าสิปีก็คือเวทนาทั้งนั้นแหะที่มันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมันตั้งอยู่เก้าสิบปีมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยถามมันมีสาระไหมไม่มีสาระโดยความจริงแค้นี่มันตั้งอยู่แบบนี้แต่ถ้าจะดับมันดับได้ยังไงเพราะอวิชชาดับ เวทนาอันนี้มันจึงดับเพราะอะไรถ้ า, าวิชานะวิชาวิชาเกิดขึ้นต้องรู้ยังไงจึงจะดับได้ต้องรู้ว่าเวทนาความเกิดของเวทนาความดับของเวทนาแล้วรู้ธรรมะที่พ้นจากเวทนาเรียกว่านิโรธสัตว์นี่นะด้วยข้อปฏิบัติที่ทําปริญญาในเวทนาละต้นเหตุแห่งเวทนาทําให้แจ้งธรรมะที่สงบประงับอันนั้นเป็นวิชาถ้าวิชาเกิดอวิชชาจะดับ ถ้าอวิชชาดับตันหาก็ดับถ้าตันหาดับกรรมก็ดับถ้าภาษาดับเวทนาเหล่านี้ก็ก็ดับอันนี้เป็นความดับไปของเวทนาเพราะนั้นรู้ความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างหนึ่งนะทวนอีกครั้งรู้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาโดยอาการ 5. รู้ความตั้งอยู่แห่งเวทนาโดยอาการ3รู้ความดับไปแห่งเวทนาโดยอาการ5้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างถูกต้อง